บทภาชนีคือบทที่ควรแจกบทที่ตั้งไว้เพื่อไขความคำที่ต้องอธิบายอธิบายความแห่งคาบทภาระคือบทที่ว่าด้วยฐานที่ตั้งสิ่งของที่อวัยวะต่างๆเช่นอวัยวะที่ตั้งสิ่งของคือศีษษะหรือหมายเอาสิ่งของที่ศีษะ บนว่าคือพร่ำพูดยังไม่พอใจพูดติเตียนผู้อื่นโดยลำพังผู้เดียวโดยไม่ตั้งใจจะให้ใครฟังบรรพชิตคือนักบวชผู้บวชบรรยายหรือปริยายคืออ้อมโดยบรรยายคือโดยอ้อมบริกรรม ถ้าเกี่ยวกับสถานที่หมายถึงฉาบทาตกแต่งบริโภคคือใช้สอยนุ่งหม่มบางสุกุลคือของที่เข้าทิ้งไว้ที่กองฝุน่นของที่เข้าทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของห่วงแหนบันดอกได้แก่คนสามจำพวกคือหนึ่ง ชายผู้ราคะกล้านอกรีตในทางเสภกรรมผู้มีราคะกล้า 2. อชายผู้ถูกตอนจีนเรียกว่าขันที 3. กระเทยโดยกำหนดบันดอในที่นี้จากหน้าห้าบเจดหมายเอากระเทยบาลีมุตกาศทุกกฎ คืออาบัตทุกกฎพ้นจากบาลีอาบัตทุกกฎนอกจากพระพุทธบัญญัติและอาภิสมาจารย์บำเรอคือคอยรับใช้ทำให้ชอบใจบูชาคำว่าประโยคะหรือประโยคแปลว่าการประกอบการกระทำการพยายาม บุพพประโยคะหรือบุพพประโยคคืออาการหรือการทำความพยายามเบื้องต้นหรือการกระทำทีแรกประโยคนก่อนๆแต่การทำการพูดจะสำเร็จบริบูรณ์หรืออาการเบื้องต้นบุรพชนกบิดาก่อนๆคือผู้ให้กำเนิดเป็นชั้นๆผู้สืบเชื้อสายโดยลำดับ มาถึงญาติโดยลำดับทั้งฝ่ายมารดาและบิดา